ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมด้วยเสียงก้าวขอนอมน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์พระรยาสง์หมู่ใหญ่โกกาดพระอาจารย์พัฒนาชัยผู้เป็นประธานสงฆ์พระเทรานุเทระ เพื่อนมชิมะนว ก, กะด้วยความเคารพยิ่งขอความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านในะโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายวางมือลงวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งตัวอะไรนะครับอยู่ดีๆก็พระอาจารย์สุรินทร์ท่านก็ให้ทศีศ ในฐานะเป็นองค์รับกรินว่าอย่างนั้นแต่สำหรับตัวผมก็มาอยู่ใหม่แต่ว่าเป็นองค์รับกรินก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจมากเพราะว่าท่านท่านคัดคัดแล้วนะครับก็ถือว่าคัดแล้วโสมูใหญ่ยอมรับคัดออกมา3มรูปนะแล้วก็ท่านก็ให้ให้โหวต ผมก็ได้รับเนาะก็ถือว่าดีใจเหมือนกัน4ีสามรูปที่อยู่ด้วยกันท่านก็โหวตให้เพราะว่าปีนี้ให้น้องพี่หนุ่มก็แล้วกันรับกระถินอ่าก็ได้รับก็ถือว่าเป็นดีใจนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ดีใจกับคณะเจ้าภาพที่มาเยอะมากนะครับเยอะมากถึงขนาดแบบสองล้านกว่าๆอย่างนี้นะครับโอ้ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ไม่เคยแบบได้รับกรินเยอะขนาดนี้นะครับ ที่บ้านผมก็มีแค่ไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสนแต่มีไปปีพรรษาที่สองอยู่วัดธรรมเสนาในตัวเมืองของอุดร น, นะครับก็สี่แสนก็ครั้งนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วเนาะมาเจอวัดเราวัดป่าสุกโตนี่ชื่อนาฬแบบโอ้สองล้านนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเยอะมากก็ขออนุโมทนาสาธุกับกับท่านเจ้าภาพเนาะอ่ากับท่านเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวล น, นะครับ วันนี้ก็มากลับมาหาพวกเราก็กลับมารู้สึกตัวกันนะครับเนาะในทางของลุงปู่เทียนลุงปู่ําเขียนของพวกเราท่านก็ทําให้ทํารู้สึกตัวไปนะครับท่านตอนนี้ท่านสร้างจังหวะก็รู้สึกตัวไปท่านจะดูลมก็ให้มันชัดๆนะครับให้มันดูลมชัดๆไปให้มันรู้สึกตัวไปให้มันเดินๆไปชัดไปเรื่อยๆ พะก็เริ่มมีน้อยลงนะครับเพราะพระก็จาริกไปที่อื่นบ้างนะวันนี้ผมก็จะไปเหมือนกันนะครับนะเป็นองค์กะินแต่จะไปเหมือนกันเมื่อคือนนี้หลังจากทําวัดเสร็จนะแม่โทรมาจากทางบ้านญาติเสียนะครับญาติเสียดีใจไม่ทันไรครับก็มาเสียใจอีกแล้วเนาะแต่ดูใจไปเนาะ วันนี้ก็จะขอลาอพระอาจารย์สุรินทร์กับพระ้าจานัาจานาวัฒชัยเนาะไปกลับบ้านไปบอกพี่หนุ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะบอกว่าผมจะกลับไปดูญาติเพราะตอนนั้นยังไม่ตายตอนตอนเช้าก็บอกพี่หนุ่มว่าจะจะกลับบ้านไปเมืองพนนะครับ <c oughs> แต่เผลอพอทําวัดเสร็จก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เสียแล้วนะครับก็เลยจะจะกลับบ้านไปเพราะว่าทุกคนเกิดมานะครับเกิดมาทุกคนนี้ก็ต้องตายนะครับ ถ้าเราดูดีๆทุกคนก็เขาก็ตายให้เห็นนะครับไม่ว่าคนสวยคนงามคนหล่อขนาดไหนนะครับเขาก็จะตายวันยังคานะครับเขาเกิดมาเหมือนกันนะเตรียมตัวไว้เลยนะครับคนเกิดมาร้องแ้เแ้นะครับเขากำากำกำปั้นแน่นเลยครับเขามีกำขึ้นมานะครับเขามีกำขึ้นมาแต่พอเขาตายไปเขาแบะมือนะครับเขาบอกเราว่าไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเธอทั้งหลายให้พวกเราทั้งลายนี่ พากันรีบทานะครับรีบทำความเพียรหรือรีบทำบุญก็ได้ถ้าเอาง่ายๆก็คือรีบทำบุญนะครับรีบทำบุญบุญต้นๆก็คือการให้ทานนะครับการให้ทานการให้ทานต้องรีบทำแล้วก็มีการรักษาศีลพวกเราก็มารักษาเอาการเจริญเมตตาภาวนาสาหรับครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่แล้ววัดเราก็ภาวนาแบบวิปัสสนากรรมาฐานเนาะ มีครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเทวดานี่เทวดาผ่านมาพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ข้างล่างเทวดานีไม่เห็นเทวดาลองร้องเพลงมาบอกว่าในเมื่อเธอทั้งหลายนี่เห็นความตายอยู่ข้างหน้าแล้วให้เธอรีบทําบุญรีบทําบุญไม่เถิดจะได้ไปที่ดีๆพวกเทวดานี่ปรารถนา ปัฒนาผู้ภูม mm ิที่ดีก็คือปัฒนาผู้ภูมิของมนุษย์นะครับแต่สําหรับตัวมนุษย์เองปัฒนาผู้ภูมิของเทวดานะครับมันต่างกันนะครับมันต่างกันเพราะเทวดานี่เขาเห็นแล้วนะครับเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่เ้าเห็นแล้วเอ้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่เขาเห็นแล้วเ้าเห็นแล้วว่าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะบาเพ็ญได้นะครับ แต่แต่พวกแต่มนุษย์ของเรานี่ไม่เห็นแต่บอกว่าเทวดานี่เสพสุขสบายเลยครับอยากกินของทิพย์อยากอะไรนะครับทำบุญไว้เยอะๆก็ได้นะครับถ้าอยากเป็นเทวด า, าทำบุญไว้เยอะๆเลยเแล้วก็จะได้เกิดไปเกิดเป็นเทวดาจะมีทิพย์มีมันต่างๆนานาถ้าใครชอบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ้าใครชอบออพ้นทุกข์อย่างนี้นะครับก็ต้องเร่งทําความเพียร ไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับทำความเพียรพวกนี้ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ให้ทำดูจิตตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองนะครับมันคิดไปก็ให้กลับมารู้เนี่ยครับแนวทางของผู่คาเขียนของพวกเรามันคิดไปก็ให้กลับมารู้กลับมารู้นะครับแต่แต่เทวดาตนนั้นนะพระพุทธเจ้าอยู่ข้างล่างเดินจงกรมท่านก็เทศสวนขึ้นไปเลยนะครับบอกว่า ในเมื่อเธอเห็นความตายอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ <metros. S 1> ให้เธอรีบ cool ทําความเพียรแล้วมุ่งสู่สันติเถิดมันต่างกันนะครับเห็นความตายเหมือนกันเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันแต่แต่เทวราบอกว่าให้ให้เรานี่ทําบุญไว้เยอะๆเราจะได้ปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเห็นความตายอยู่ข้างหน้าแล้วให้เธอมุ่งสู่สันติเถิดคือคือพระพุทธเจ้านี่จะบอกว่าจะเกิดเป็นอะไร มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับถึงเธอจะเกิดเป็นเทวดาสักพักหนึ่งเธอก็ต้องตกตกมาเป็นมนุษย์หรือตกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละครับคือมันไม่จบไม่สิ้นว่าแต่สงสารนี้มันยาวนานมันยาวนานนะครับทุกคนอยู่บนบนโลกนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยที่ว่าไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพวกเราที่มาอยู่ด้วยกันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ว่า ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเป็นพ mhm. ี่เป็นน้องกันเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเองนะครับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเพระพุทธเจ้าบอกว่าคนแต่ละคนนี่ก็ดูกองกองเท่าภูเขาหิมพัน์นะครับเยอะมากแล้วน้ําตาที่ร้องไห้นะครับร้องห่มร้องไห้ในการเกิดในการแก่ในการเก็บกันตายนี่ครับยิ่งกว่าแม่น้ํามหาสมุทรอีกนะครับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะวันนี้ในไนก็จะได้ไปกลับบ้านไป กับงานศพก็พูดเรื่องคนตายก็แล้วกันเนาะอ่เพราะฉะนั้นแหละให้เธอให้เธอทั้งหลายนี่รีบนะครับรีบรีบทํำความเพียรเถิดพระเจ้าในพอะเจ้าเนี่เปรียบไว้ดีมากนะครับบอกว่าเหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะนะครับไฟไหม้บนศีรษะนี่พอไฟไหม้ไฟก้อนถ่านนะครับก้อนถ่านแ ด, ดงๆตกลงมาบนศีรษะเธอจะทํำยังไงอคนนั้นนะ่ะ คนคนนั้นต้องรีบปัดออกนะครับต้องรีบเขีย่ยออกนะครับเพราะไฟมันไม่ลงถึงเส้นผมบนกระโหลกศีรษะอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนี่เหมือนกันนะครับให้เธอรีบทําความเพียรอย่างนั้นเลยนะครับใครจะรู้ความตายแม้่วันพรุ่งนี้นะครับเด็กน้อยก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้นะครับตายได้หมดไม่ว่าพระพระก็ตายได้เหมือนกันอ่ามันมันไม่แน่นอนเออมันไม่แน่นอน เพรว่าเหมือนเหมือนที่ทำวัดเมือม่อกี้เนี่ยครับชาราทำโมมหิชาลังหานตีโตเรามีความแก่ความแก่เราก็เห็นไม่ใช่เหมือนเจ้าชายศ ร, รีตถาเนาะเจ้าชายศ ร, รีตถาอินไม่เห็นนะครับไม่เคยเห็นคนแก่เลยไม่เคยเห็นคนเก็บไม่เคยเห็นคนตายเพราะพระเจ้าสุตโตท่นนันี่กันเอาไว้นะครับถ้าเราดูหนังเนี่ยจะรู้เลยว่ากันเอาไว้ไกันเอาไว้ไม่เห็นไม่ให้เจ้าชายเนี่เห็น แต่แต่พามแต่พามอัญญากลณัญ น, นี่พามกรณฑญานี่บอกไว้เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะตัดสะดุชอบได้โดยพระองเองแล้วพระเจ้าสุโธทนานีถามเลยทำไมถึงถึงเ จ, จ้าชายสิทธนทันถัจะออกบวชก็เห็นคนแก่คนเก็บคนตายนี่แหละครับแค่นั้นแหละค้นเลยครับพระเจ้าสุโธทนานีค้นคนออกเลยคนในคนแก่นี่คนในหัวกงหัวขาวนี่คนออกหมครับ คนแก่คนเกี็บคนตานี่คนออกหมดเลยคือไม่ให้เจ้าชายเห็นทำเมืองกั้นไว้เลยไม่ให้เจ้าไม่ให้เจ้าชายเห็นนะครับแต่สุดท้ายก็เห็นอยู่ดีเห็นอยู่ดีพอออกไปออกไปนอกเมืองก็เห็นแต่ถ้าเราเราดูตามตามพุทธประวัตินี่ก็จะเป็นพวกเทวดาเนาะมาอาธิษฐานถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องฤทธิ์เนาะก็มีอ่าเทวดามาอาธิษฐานให้เห็นเห็นเป็นคนแก่อ่า ก็ขี่ม้าออกไปอ่านายช น, นะเนาะขี่ม้าออกไปก็ถามเอ้ยนั่นคือนั่นคืออะไรอก็เห็นคนแก่หลังคล่อมๆเดินไปนะครับบอกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะเอา้าเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยลื้เป็นพระเจ้าค่ะก็คือเจ้าเจ้าชายจิตตธรรมไม่เคยเห็นเลยนะครับอก็ไปเห็นคนคนเก็บนะครับสั่นง้องง้อง้องงอยู่นะครับอ่าอยู่ข้างอยู่ข้างถนนนั่นนั่นนั่นคืออะไรฉันนะนั่นคือคนเก็บครับ เราจะต้องเก็บด้วยลือต้องเก็บพระเจ้าค่ะนั่งไงแล้วต่อมาอีกเห็นคนตายร้องห่มร้องไห้เราจะเป็นอย่างนี้ด้วยลื้อช น, นะเป็นพระเจ้าค่ะเราจะทุกวันอวันใดวันหนึ่งก็เราก็ต้องตายเหมือนเดิมอก็เลยพระพุทธเจ้าเลยเล ย, เล ย, เลยสลดใจนะครับสลดใจเลยโอ้ยสลดใจลูกเกิดมานะครับลูกเกิดมาในวันนั้นลาหูนางลาหูโลนะ ลาหุนนะั่นนะลาหุนนางลาหุโดบวงเกิดแล้วน lever, ้องบวงเกิดแล้วน้อพระเจ้าตัดใจเลยครับยังไม่ได้จูบยังไม่ได้อุ้มเลยนะครับยังไม่ได้กอดเลยนะครับท่านตัดเลยครับตัดออกไปเลยอยังไงเราต้องเกิดแก่เก็บตายแต่เราจะไปรีบรีบกระทาความเพียรนะครับรีบกระทำความเพียรแต่พระเจ้าก็ออกไปเลยครับทิ้งอทิ้งแต่กล่าวไยาวบอกว่า เส้นผมที่ของพระพุทธเจ้าตัดออกนะครับตัดผมแค่ครั้งเดียวนะครับม้วนเข้าเลยครับแต่ผมที่ตัดออกบอกว่าท้าวสกกะจอมเทพนี้เอาเส้นผมของของอเจ้าชายศิีตุธานีเอาขึ้นไปประดิษฐานไว้สวรรค์ชั้นาดาวบดึงนะครับเป็นพระธาตุอย่างนี้นะครับก็ทําทุกขคิริยามาหกปีนะครับแต่มันไม่ใช่ทางนะครับ ทำยังไงกิมันไม่ใช่ทางนะครับจะอดอาหารจะกั้นลมหายใจเราเราดูตาม พ, พุทธประวัตินะกั้นลมหายใจอดข้าวอดอาหารทำทุกอย่างนะครับแต่มันยังไม่แต่มันยังไม่มไมพ้นทุกได้แต่พอมีล้มหมดสติลงไปมีคนเอาน้ำนมไปให้กินนะอะ คนจันทานคนจันทานก็เอาแพะหรือนมวัวเนี่ยนะครับไปบีบลงใส่ปากใส่ปากให้เจ้าชายริสถะก็พอได้กินพอได้กินท่านก็บอกว่าอ๋อท่านมาดูแล้วบอกว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับท่านแล้วลึกไปถึงตอนตอนที่ตอนที่ อาพระสุตโตทนานี่ไปแรกนาควันเนาะตอนนั้นท่านบําเพ็ญท่านเข้าสมาธิเข้าฌานาตั้งแต่ท่านยังเป็นเล็กๆ เ, เนี่ยเข้าฌานเข้าฌานไปท่านไปได้เยอะเลยครับฌานต่างๆเนี่ยได้เยอะถึงขนาดต้นว่าเนาะนั่งอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นว่าต้นว่าไม่เอียงเอียนไปไหนเลยท่านก็เลยนึกว่าเออเราต้องบําเพ็ญอย่างนี้บําเพ็ญทางกิจบําบเพ็ญทางกิจ พราะท่านทําไปทั้ง6ปีท่านก็คิดถึงนะคิดถึงราหุนราชกุมารคิดถึงนางยาโสธราคิดอยู่นั่นแหละครับท่านหาทางออกไม่ได้ก็คิดถึงพระเจ้าสุโธท น, นะคิดอยู่นั่นแหละครับท่านก็เลยบําเพ็ญทางกิจนี่เหมือนเราเหมันกันเราก็มาบําเพ็ญทางกิจน ะ, ะก็กลับมารู้สึกตัวมันคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้คิดไปก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นไป มันก็เริ่มเริ่มนะครับมันก็เริ่มตัดตัดตัดออกไปตัดออกไปจะคิดถึงบ้านก็เริ่มตัดออกไปถ้อยลงถอยลงถอยลงถอยลงสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับก็กราบทั้งหมดพวกพวกเทวดาทั้งหลายก็มากราบท่านมาสาธุการกับท่านมาสาธุการกับท่านเยอะนะครับเยอะมาก นั่นแะครับก็เลยมันมั น, ม, นมันมาการเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นม า, าเราก็ได้ได้มาทาได้มาทําอย่างนี้หลวงปู่ทปเทียนหลวงปู่คําเขียนก็มามาพาทำแต่สายของเรานี่มันเป็นมุ่งตรงนะครับมุ่งตรงไม่อ้อมค้อมไม่ไปนั่นนะครับตรงไปเลยตรงไปทางจิตเลยให้บําเพ็ญให้ให้ทําเอา มีมีมีครั้งหนึ่งนะพระอรหันพระอรหันอีกองหนึ่งขอพูดพระอรหันอีกองหนึ่งก็แล้วกันอ่าพระอรหันองค์นี้นี่อะอะไรนะพระอ๋อจําไม่ได้เลยเนาะสังขารนี่สังขา ร, ารไม่เที่ยงเหมือนพระอาจารย์สุรินทร์ว่าอีอาอจริงจาไม่ได้เลยพระองค์นี้นี่อพระจุลบันทกนะ จุลบรรพ์ทกจุลบรรพ์กนี่ท่านเป็นท่านเป็นพระละหันแต่ว่าท่านถือว่าพระละหัน์ที่โง่ที่สุดก็ว่าได้นะครับอพระจุลบรรพ์กนี่โง่ที่สุดก็ว่าได้แต่องค์นี้นี่เป็นพระละหันไปแล้วคนโง่ที่สุดแต่เป็นพระละหันไปแล้วนะครับจุลบรัน์กจุลบรรพ์กนี่บวชบวชเข้ามาขอบวชกับบวชเข้ามาแต่แต่มหาบรรพกมหาบรรพกนี่เป็น เป็นผู้สอนทำสอนคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแต่เอาน้องมาบวช ด, ด้วยน้องน้องจุลบรร์ น, นี่มาบวช ด, ด้วยพอมาบวชปุ๊บให้ท่องนะครับให้ท่องสัพพิติโยหรืออะไรสักอย่างนี่ให้ท่องสามเดือนสามเดือนก็ท่องไม่ได้อท่องไม่ได้มาบรรพนทงนี่มาบรรพ์ น, นี่ก็เลยไลย่บอกว่าศึกเสถิดท่องท่องแค่คาถาเนี่ยสามสามวักเนี่ท่องไม่ได้ ไล่กลับเสถิดให้เธอศึกเสถิดนะแต่ว่าจุลบรรกนี่ไม่ไม่อยากศึกเลยนะครับไม่อยากศึกเลยไม่ปรารถนาเลยเรื่องการศึกนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ครับเล็งเล็งดูแล้วขายพยานของท่านเข้าขายพยานบอกว่าบอกว่าจุลบรรพทงนี่จะได้เป็นพาระละหัน์ในเช้า ว, วันนี้อในเช้า ว, วันนี้อแล้วก็พระพุทธเจ้ามาหานะมาหาจุลบรรพ์บอกว่า เธอเป็นอะไรอย่างงี้นะครับก็บอกว่ามหาบรรทกนี่จะให้ข้าพเจ้าสึกแต่ข้าพเจ้าไม่อยากสึกเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้มามามามามาจุลละมนทุกเราจะให้เธอได้ชิมพระรหารในเช้าวันนี้ก่อนฉันพระทหารเช้าแล้วก็พระพุทธเจ้านี่ทิ้งเลยครับทิ้งผ้าขาวเนี่ยเหมือนแม่ชีนี่ผ้าขาวขอย่างี้ทิ้งผ้าขาวให้ทิ้งผ้าขาวให้ แล้วให้ให้จุนลนภูตถกรูปนะครับรูปลูปูปลู ป, ปแล้วก็พระพุทธเจ้าเข้าไปหลีกไปพระพุทธเจ้านี่ได้รับนิมนต์นะครับได้รับนิมนต์ไปฉันพระทหารที่ที่บ้านของโยมแล้วก็นิมนต์ห้ารูปแต่ไป490อยาแต่ไป499รูปเหลือรูปหนึ่งอพอไปถึงบ้านโยมแล้วโยมก็ทำอา้าวรูปหนึ่งไปใน ไปเลยนี่มนุ์ท่านอยู่ที่วัดอยู่รูปเดียวนั่นล่ะแต่ตอนนั้นน่ะจุลเรืองมนฑกนี่ผ้าขาวนะครับรูปผ้าขาวรูปไปรูปมาเป็นผ้าดํานะครับรูปไปรูปมาเป็นผ้าดํารูปไปรูปมาเป็นผ้าดําแล้วท่านก็บอกว่าโอ้มันมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับสังขารของคนมันเปลี่ยนไปอย่างนี้จากผ้าขาวกลายเป็นผ้าดําท่านก็บรรลุเป็นพระราหันเลยครับในแป๊บเดียวครับบรรลุเป็นพระราหันไปเลย แล้วก็ท่านแสดงฤทธิ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องฤทธิ์กันท่านแสดงฤทธิ์นี่พระเต็มวัดไปหมดเลยครับต่างคนต่างแสดงฤทธิ์ได้ไม่เหมือนกันนะครับ ส, ien, สมัยก่อนนี่บางรูปบางท่านนี่แสดงฤทธิ์ให้ให้มือ ม, มือเป็นไฟก็ได้มือนไฟส่องส่องให้รอต้อนรับอาการตุกะเข้ามาวัดนี่บางรูปบางองค์ก็เหาะได้อย่างนี้นะครับแต่จุลลมอนทงนี่แสดงฤทธิ์พระเต็มวัดเลยครับพระเต็มวัดฟูฟูฟูเต็มวัดเลย แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไปううไปรับเลยมีพระรูปเดียวอยู่นั่นล่ะให้ไปนิมนต์มาอ่าก็คือจุลละบนถกจุลละมุนถกนั่นแหละครับพอมาปึ๊บพระเต็มวัดไปหมดเลยครับอไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนพระเต็มวัดไปหมดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีรูปเดียวอ่าก็เลยกลับไปใหม่ครับไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนไงก็กลับไปใหม่พอกลับไปปุ๊บก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเต็มวัดเลยพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะนิมนต์พระรูปไหนพระพุทธเจ้าบอกว่ามีรูปเดียว แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระ พ, umm ah. พ, ระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ า, าจุลละบันทงนี่เป็นพระรหันต์แล้วก็เลยบอกว่าให้นิมนต์พระจุลละบันทกเจ้าข้ารูปไหนคานก่อนจับมือรูปนั้นเลยนะจับมือรูปนั้นเลยอ่าเจ้าภาพก็เลยกลับมาใหม่อกลับมาใหม่ยืนยืนอยู่ท่ามกลางพระทั้งหมดแล้วก็นิมนต์พระจุลละบันทกเจ้าข้าอย่างนี้นะครับก็บอกว่าอ้า นะอาตมาอยู่นี่แค่นั้นหลักจะพาไปรีบจับนะครับจับมือปุ๊บพระจุลวรรษทองนี่ปุ๊บปุ๊ปกลับมาหมดเลยครับกลับมาหมดเลยก็เลยพาไปพาไปฉันพระทหารพระทหารที่บ้านนี่นะครับก็ก็ที่เล่ามาให้เห็นว่าไม่ว่าคนเก่งหรือว่าคนฉลาดแค่ไหนหรือว่าคนไม่เก่งเลยก็สามารถเป็นเป็นพระรหารได้คือสามารถพ้นทุกข์ได้ แต่ท่าของพวกเรานี่จะจะมาพูดกันถึงเรื่องพ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้นะครับก็คือสามารถพ้นทุกข์ได้ก็คือดูจิตของตัวเองนะครับดูจิตของตัวเองเอาไว้ถ้ามันจะส่อสายไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยครับให้ดูจิตของตัวเองเอาไว้มันมันมันจะหลุดพน้นตรงที่ดูจิตของตัวเองเนี่ย เ, เมื่ออาจารย์กำพลก็เหมือนกันอาจารย์กำพลนี่ก็ไม่ได้ว่าท่านเป็นพระรหันนะครับแต่ผมนี่ว่าท่านเป็น พ, ร, พระรหันเพราะหลวงปู่คำเขียนนี่ท่านยืนยันนะครับท่านยืนยันว่าอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนี่ พ้นทุกแล้วพ้นทุกแล้วคือไม่มีอาสะวะกิเลสแล้วนะครับก็คือพระหลานนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าคนพิการไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรให้ดูจิตเอาไว้นะครับดูจิตเอาไว้ไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องอะไรมันมากครับดูจิตมเอาไว้นะครับดูจิตเอาไว้ดูจิตเอาไว้คนที่ฉลาดที่สุดคนที่อ่าฆ่าคนเหมือนกันนะคนที่ฆ่าคนมาสุดๆเหมือนกัน<อ>เหมือนกับอ่าองค์คุลีมานองค์คุลีมานเนี่ยตอนที่ท่านเกิดนะครับ <im it> ผมเคยอา่านประวัตินะครับตอนที่ท่านเกิด ท่านเกิดในตระกูลพามนะครับตอนที่ท่านเกิดนี่มีดนะครับมีดที่บ้านนี่มันสั่นเลยครับเพื่อเพืมันสั่นหมดเลยครับเออมันสั่นเพิ่มๆๆเลยแต่ออกมาปุ๊บพามก็ทํานายแล้วบอกว่าอคนนี้นะจะได้ฆ่าคนจะได้ฆ่าคนจะได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่ดีอ่าก็อย่างงี้นะครับพ่อก็เลยบอกว่าให้ฆ่าเลย แต่แม่นี่หัวอกของคนเป็นแม่นะครับบอกว่าเอออย่าได้ฆ่าเลยอย่าได้ฆ่าเลยอย่าได้ฆ่าลูกของฉันเลยก็เลยตั้งตั้งชื่อให้บอกว่าอาไม่ใช่องค์คุลิมานะครับชื่อจริงๆของท่านคือชื่อชื่ออหิงสกะนะครับอหิงสกะก็คืออะก็คือไม่นะครับออหิงสกะก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใครนะครับพอตั้งชื่ออย่างนี้ก็อหิงสกะก็เรียกกันอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่องค์ุลิมานนะท่านเกิดใหม่ใหมท่านได้ชื่อพามตั้งชื่อเอาเอาไว้ให้เป็นอหิงสกะนะพออหิงสกะเติบเติบโตมาเป็นคนเก่งมากคนระับแต่มาเชื่อเชื่ออาจารย์อาจารย์พอมาเรียนกับอาจารย์ก็สําเร็จทุกอย่างนะครับสำเร็จผลทุกอย่างแต่ท่านท่านมุ่งมุ่งก็คือเป็นเป็นพระพระอรหันต์ก็คือพ้นทุกแต่เชื่อทุกอย่างที่เชเชื่อ แต่เพื่อนที่ด้วยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่ไปไปไปยุยงอาจารย์นะครับบอกว่าจะจริงกว่าอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยเชื่อก็เลยให้องคุลิมานี่ไปตัดนิ้วอตัดนิ้วอาจารย์นี่ก็บอกองค์ุลิมานว่าให้ไปตัดนิ้วมาแล้วเราจะบอกวิชาขั้นสุดยอดให้เธอพ้นทุกได้อย่างงี้นะครับองค์ุลิมานก็เชื่อเชื่อเชื่อก็เลยก็เลยไปตัดนิ้วนะครับ ที่ท่านว่าองค์คุลีองค์คุลีองค์คุลีมานเนีครับองคุลีก็คือนิ้วนะครับตัดนิ้วเป็นจอมมันที่ตัดนิ้วนะครับตัดนิ้วคนเขาเก่าวไว้ในหนังสือบอกว่าองค์คุรีมานนี่ตัดนิ้ว 1,000 ันนิ้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับองค์คุรีมานนี่ตัดเยอะกว่านั้นท่านตัดไปตัดมาท่านตัดตัดแล้วก็นับหนึ่งสอสาตัดไปตัดมามันลืมครับลืมลืมท่านก็เลยเอาเอาเอานิ้วนะครับมามาร้อยนะครับมาร้อยมาร้อยไว้ท่านกลัวลืมไง แต่สุดท้ายที่ที่จะไปไปตัดของตัดพระพุทธเจ้านั่นแหละครับตัดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเลยบอกว่ า, าวิ่งวิ่งถึงขนาดตามตามพระพุทธเจ้าไปสามโยชนนะครับสมโยชนที่เราบทสวดพระหงษ์นะครับผมคุลีมันวิ่งตามพระพุทธเจ้า3ามโยชนโยชนหนึ่งนะครับโยชนหนึ่งเขากล่าวไว้ในหนังสือนี่โยชนหนึ่งบ ห, งหงกิโลนะครับ3มโยชนก็4ี่สิห้ากิโลนะครับวิ่งถึง วิ่งถึงจากสุก โ, โตเราถึงแก้งคอเนอนะครับวิบ่งตามพระพุทธเจ้านะครับผู้มีกําลังมากวิ่งตามพระพุทธเจ้านะครับวิบ่งวิ่งวิ่งวิ่งก็เลยเหนื่อยหอบว่าเอ้ยทําไมตามพระพุทธเจ้าไม่ทันนะครับแต่บอกหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าสวนออกมาเลยครับบอกว่าหยุดแล้วเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดทําไมท่านว่าอย่างนั้นเราขนาดเราเราหยุดแล้วเนี่ยองค์ุลิมาณหยุดแล้วแต่ท่านยังเดินอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้หยุดอย่างนั้น คือเราหยุดนี่ก็คือปล่อยแล้วปล่อยไม่เอาคือปล่อยวางพวกมีดพวกอะไรลงหมดแล้วฮะพรธเจ้าไอ้องคุลิมานเข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจทำเขาขอบวชขอบวชท่านก็บรรลุเป็นพระรหลานฮะบรรลุเป็นพระหาราลนะหานแต่ถึงขนาดท่านบรรลุเป็นพระหรหลานแล้วก็ยังโดนโดนพวกชาวบ้านนะครับคั่วไอ้ไอ้ทุบตีอยู่เรื่อยครับโยนก้อนหินใส่อย่างนี้นะครับอา่าก็นั่นคือเป็นเศษกรรมของท่าน เศษกรรมของท่านสุดท้ายชาวบ้านก็ยอมรับบอกว่าเออท่านท่านไม่ใช่มันท่านไม่ได้เป็นท่านไม่ได้เป็นมารแล้วแต่ท่านเป็นเป็นพระละหันแล้วก็คือถึงถึงจะเป็นเป็นพระละหันแล้วก็จริงแต่ว่ายังไงก็ต้องยอมรับในกรรมเหมือนกันนะครับยอมรับในกรรมเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้เชื่อเรื่องกรรมแต่ศาสนาอื่นเนี่ยให้เชื่อเชื่อเรื่องาศาสดาเป็นผู้สร้างนะครับ ศาสดาเป็นผู้สร้างแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้านี่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างแต่พระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องกรรมเพราะเราทำกรรมดีไว้จะได้รับผลดีแน่นอนเหมือนพวกเรามาทำอยู่ที่นี่เหมือนกันพวกเราทำกรรมดีก็จะได้ดีแน่นอนพวกเราทำกรรมชั่วก็ชั่วแน่นอนนะครับก็ให้พวกเราเร่งเร่งทำความเพียรกันเนาะเพราะสุดท้ายนี้ก็ขออํานวยพภัยในท่านทั้ทงหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญมาดแม้นว่าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน